ก็ทำกันจบวันนี้เสียงเบาว่าหลายคนน่าจะมองเมนตัวหนังสือปิดไฟกันก็จะไม่ปิดได้ไงสงสารชีวิตอีกหลายชีวิตแม่งเมาข้างลางเปิดไฟไว้กองพะนเิลมันมีปีก มันก็บินได้บินไปตอมของไฟเล่นไฟกันแล้วผสมพันธุ์สืบพันธุ์เป็นวงจรชีวิตแบบนั้นเราก็เคารพเข า, เ, ขาเพาว่าเอามาแรงเอาปลวกมดมาช่างน้ำหนักเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกในว่าในวัดเนี้ยอัตราส่วน มนย์กับปลวกกับมดเนี่ยมันต่างกัน mm hmm. ลิบลับเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนต์เนี่ยมีสมอง mm hmm. มีปัญญาเราสามารถที่จะฝึก mm hmm. ให้มันมีปัญญาแตากฉานเป็นปัญญาเข้าสู่สภาวะของโลกุตตรธรรม เป็นปัญญาพุทธะ mm hmm. เห็นผ่านพ้นปัญหาทั้งปวงไปตัดเวรตัดภพยตัดวั ต, ตสงสารตัตดสังสารวัฏตัดมันหมดนะตัดจะรู้นะอะไรที่มันรู้ก็หยิบ ม, มาใช้ใจเสียก็ต้องวาง เป็นปัญญาพุทธะวางก็ว่างกันอยู่ในโลกไม่ทําหน้าที่ใช้กายใชจวาจาใช้จิตใจก็คงจะไม่ได้เรามีจิตมีใจแต่เป็นนามธรรมเป็นาธาตรู้เป็นาธาตว่างมีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากมายอุปหลกอกแรงขึ้นมาพุทธิยสงเคราะห์พทุทธิานุเคราะห์ ที่จะเอือเฟื้อซึ่งกันและกันมันก็จึงเกิดสังคมที่เป็นเรื่องของสันติสุขสันติภาพ <Yeah. S 1> เกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเหตุเกิดมาจากเรารู้จักตัวเราเราเห็นตัวเราเราลักตัวเราเราเห็นคนอื่นเราก็ลักคนอื่นเหมือนกัน เรสงสารตัวเองเป็ น, นเราก็สงสารคนอื่นเป็นเหมือนกันเราเมตตาตัวเองหเห็นตัวเองครองตนได้คองคนครองงานต่อไปได้ทาประโยชน์อย่างนั้นจริงๆเราะเราจึงนี่แหลนะนะมารวมตัวกันตอนเช้าตานบ่ายสวดมนต์สาธยายม น, นเพื่อให้เห็น ตัวอักษรง่คิดมุมมองต่างๆที่มันเป็นธรรมะจากพระโอษคบมาได้ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มาน้อมกันมานโมตัสสะแล้วก็ดูคุณของพระพุทธเป็นไงพระธรรมเป็นไงพระสงฆ์เป็นยังไงนในเสดบทที่เรียกว่าอนันต์แล้ก็นาสูตรที่มาจากธรรมจากกักรกระเป๋ น, นสูตรไง ที่ว่าเราไม่ทุกข์พอมาสวดบทนี้ปั๊บเรารู้แล้วโอมันทุกข์ชัดๆกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Yeah. S 1> มันเป็นอาการเป็นธรรมชาติของกาย <Yeah. S 1> ทุกคนจดหมายปายทางต้องสู่ความตายมรณ ะ, ะภัย <Yeah. S 1> แต่หลายคนสะดุ้งหวาดภาวะ <Yeah. S 1> สับสนกลัว จนไม่กล้าที่จะตายทาั้งนี้หนีไม่พน้นเราเลยมาฝึกรู้เท่ารู้ทันเหตนการแก่การเจ็บการตายไปลองเทวทูตเทวดานะทูตส่งสารมาบอกเราหูก็หนวกตากร้าฟาฟางผมก็ขาวผิวหนังก็เหี่ยวฟันก็ห่างโยกไปก็โยกมาเผื่อๆก็หลุดใส่ฟันปลอม มันก็เป็นเรื่องของความแก่ชะลาหมดกำลังความสวยงามก็หายไปมันก็สวยแบบสวยงามตามธรรมชาติแต่หลายคนก็กลัวแก่ตวอยานดีย์เสริมสวยผ่าตัดบั้งหรือว่าเสริมใสฮอร์โมนลงไป ลบลอยตีนกาลอยเหิือยยน่นมากมายไม่เอามาเป็นเทวทูตไปปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันล ะ, ละเอาไม่อยู่จิตใจเนี่ยสำคัญมันบางทีมันไม่สบายใจครับอกครับใจร้อนรุ่ม ทางัางทีรอบๆตัวมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ใจมันร้อนใจมันรุ่มบุคคลหน 1, 2, สสสสึ่งองาประตูหนึ่งสองสามสัพพสัตสัพสิงเราไม่กระจยตัวเองแล้วก็ไม่กระจยไม่กระจรอบๆตัวมันก็เลยเป็นเรื่องดีครับอ ก, กับใจขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากอันนี้มีคนเคยเปรียบเทียบนะรรู้หรือว่าปาฏ เปรียบเทียบไว้รุนแรงผสมควาประโยคที่ว่าบางทีเนี่ยเราเหมือนจุนักขี่เลือนคันที่ตัวแต่แบบไปมองหาสัตว์อื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นว่าทําให้เราคันมายกี่เริ่มนอนอยู่ก็คันเกาแงะๆก็เดินไปหาว่าสถานที่ที่นอนอยู่เดิมมันทําให้คัน พอไนอนที่มันก็เกาๆๆๆ่าแงๆเกา่าเสร็จแล้วมองหาว่าตัวอะไรกัดกันหนีไปอีกแล้วเก่าแง่แง่ก็หนีไปเรื่อยๆเหมือนมนุษย์ที่อยู่กับวัตถุนิยมบริโภคนิยมอยู่กับการใช้เงินใช้ทองใช้วัตถุสิ่งของแล้วก็มันหาความสุขไม่เจอสักที เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ร, รุ่นใหม่ที่สุดของเทคโนโลยีพยาบาลเรียนรู้ให้มากข้นไวะ้เพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสนองกิเลสเป็นการตอบจอดของชีวิตชีวิตตอบไม่ถูกสักทีมันมองออกไปนอกตัวอันนี้ก็เปรียบเหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟนั่นแหละท้ายสุดหมดชีวิตเนะจ้าพิชัยหนึ่ง พะใกล้ตายกระจับสนจิตมันไม่เคยได้รับนะธรรมะลดหรือลดของพระธรรมที่มันมีอยู่ในตัวธรรมสามารถที่จะเข้าถึงนะความสุขที่มีอยู่ในตัวเรามันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในอย่างสง่างามแล้วไม่กลัวที่ต้องการพร้อมเผชิญ เปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างได้เพราะเปลี่ยนจากตัวเราที่เคยทุกข์เป็นไม่ทุกข์นตัวนั้นสำคัญก็นะ ค, คิดมากเปลี่ยนเป็นว่าเออหยิบความคิดมาใช้ไม่ให้ความคิดมันใช้เราตาหูจะบอกเลิ้ไม่ให้มใช้เราแต่เราใช้มันมันใช้ได้จริงๆนะมันเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธินะ์เป็นความหมดจด เรียกว่าปรมจันทรนะ์เกิดมาจากอะไรนะก็เกิดมาจากจิตใจของเราที่หยุดนะหยุดที่จะเข้าไปหนะลงยึดนะเอาสิ่งต่างๆวัตถุ ก, กรรมกุลต่างๆกายใจของเรานะว่าเป็นตัวเรานะความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นกุญแจนะนะการเคลื่อนการไหว การเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์เมื่อเราฝึกสติจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาสติสัมปัญยะมันก็จะเป็นเครื่องมือทําให้เราเดินทางเป็นยานของปัญญามันก็จะขนส่งให้จิตใจของเราปลอดไป ร่างกายของเราก็ปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอ น, นก็ค่อนข้างจะรับประกันตัวเองได้นเป็นชีวิตที่ปลอดภยัยปลอดภัยก็คือรับรองได้ไม่มีใครจะมีภัยเพราะเราหรอกไม่มีใครที่จะมีภัยเพราะเราหรือว่านินทาสรรเสริญจะทําอะไรใจเราไม่ได้ ถึงทำได้จากหนักก็เป็นเบา <Yeah. S 2> เปลี่ยนแปลงได้ไวเ <Yeah. S 2> มื่อเย็นทะเลาะกัน <Yeah. S 2> พูดไปเข้าหูพอ <Yeah. S 2> นอนตื่นขึ้นมาก็หายแล้ว <Yeah. S 2> หรือไม่ต้องนอนตื่นขึ้นมาหรอก <Yeah. S 2> ขนาดกระทบมันก็หล่นลงไปแล้วหันหลังให้ก็ไม่ถือสาหาความ <Yeah. S 2> ไม่มีภัย <Yeah. S 2> มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆ <Yeah. S 2> รถของโลก ทำอะไรใจเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสติมันจะเป็นเกราะนะเป็นเกราะที่ป้องกันคอยช่วยเหลือเราด้วยเพราะมีปัญญาเนะี่มันก็จะทำให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริงนะเห็นจริงๆเขาดีเราก็รู้เขาดีเขาไม่ดีเราก็รู้เขาไม่ดีแล้ ว, ก เ, นะลวเกี่ยวข้องถูกต้องเกี่ยวข้องอยังไงนะคนก็ไม่ดีเราก็ให้อภัย เมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องก้นมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันกลายเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคยอิจฉาหรือ <Yeah. S 1> โอ้ยทําไมนาะเราทํางานเกือบตายไม่ได้ดี <Yeah. S 1> ทดําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปทําดีแล้วทําไมทำไมส่อเสียดเยอะ ย, ơi, ยๆนะต้องมาถากทาง ต่อหน้าดีรับหลังทาไมต้องพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ <Yeah. S 1> มันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นเรื่องของอภัย <Yeah. S 1> มุทิตาจิตไม่เป็นไรไม่เป็นไระก็ <Yeah. S 1> ดีต่อไปอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้จริงๆ <Yeah. S 1> จิตของเราที่มันชอบ <Yeah. S 1> เผลอหลงไปในอารมณ์ต่างๆคิดเก่ง <Yeah. S 1> มันก็เปลี่ยนไปมาได้รู้ทันความคิดแล้วรู้สึกตัว คืนสู่สภาวะปกติของจิตให้กับจิตต่อไปการไปทำเนี่ยมันเป็นการเดินทางทวนกระแสเคยไหลไปแบบผิดปกติไหลไปรักไหลไปช่างไหลไปโลภไหลโกรธไห ล, ลหลงไหลไปทางทุกข์มันก็ทวนออกไปปลาเป็นไหายตัวนน้ําทวนออกมาออกมาจากกระแสของความคิดมาสู่สภาวะปกติของจิต วนเข้าไปไม่ออกไปกลับเข้ามากลับเข้ามารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะจิตก็จะปกติกนะ็ว่ากันว่าเป็นจิตเดิมแท้นะที่มันประพัดสอนผ่องใสนะมีอยู่ในความเป็นปกติจิตนี่แหลนะนะลองปกติ1 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 6, วัน2วันสวันสี่วันหวันหกวันเจ็ดวันดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมธรรมรลต่างๆนะ สลธรมอาคลธรมรรรมันถูกเปลี่ยนกลายเป็นวิมุตต์หลุดพ้นนั่นแหละเนื้อสุขเหนือทุกเนื้อดีเนือชั่วเนื้อบุญเนื้อบาสรูส้ซื่อๆรู้เฉยๆด้วย น, นีมันเป็นผลจากการทําความรู้สึกตัวแล้วเกิดความถูกต้องเกิดความถูกต้องจะเกิดความสมดุลเกิดความเป็นกลางกับทุกๆอย่างเช่นคนก็ทะเลาะ ก, กันเนี่ยเราจะไม่เข้าไปไหนหรอ ถูกก็ถูกทั้งคู่ตัตีก็ตีทั้งคู่นะมันทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่ตรงกลางอีกทีหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะเราช่วยเหลือกันได้เราช่วยเหลือทันทีโดยการที่เป็นกลางให้ก็เกินดีกันอย่างเงีนะ้ยอย่าทะเลาะ ก, กันเลยอย่างงี้นะมันมีอยู่มันเป็นความเมตตากรุณาเนะมตตาช่วยไม่ได้จริงอุเบกขาช่วยไม่ได้จริงๆ หนึ่งสง ส, สี่ห้าให้โอกาสแต่ช่วยไม่ได้ยังงมั้งต้องรับเวนรับกรรมกันไปใจใครก็ใจใค ร, ใครดูแลกันให้ดีอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องต่อกันเหมือนกับเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลามันเหมือนอย่างนั้นจริงๆวิงวินาทีนี้เราทำวัดเหมือนกับทำวัดครั้งแรกในชีวิตใหม่รู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าเออมันมีรสชาต คำมีรถชาตคือมันมีธรรมรสในการสวดคําบอกคําสอนมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนคนใหม่หลวงตากรมก็หลวงตา ก, กรมคนใหม่ใหม่อยู่ตลอดเวลาวันนี้เห็นหลวงตากรมเห็นมาสองวันแล้วตื่นเช้ามามาตีของให้พวกเรามาทำบ้าสนสวดมนต์อายุแปดสิหพวกเราลองนึกดูนะ มาเช้านี่มาปูอาสนะวางหนังสือให้พระมานั่งทําวัดดูสิหลวงตะกมนันเนี่ยทำมาพาทำเป็นลักษณะของการอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้านหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อนเพื่อนคนใหม่สามีสามีคนใหม่ลูกเป็นลูกคนให ม, ม, ใหม่ใหม่ตลอดนมันไม่เหมือนกับว่าเออทําไม ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนู้นอย่างเงี้ยอันนันมันฝังใจเกินไปอันนั้นเป็นลนักษณะของการเก็บประทับเอาไว้บัญชีหนังหมาเน่าบ่างบัญชีแผ่นทองคําบ้างถ้าดีก็ดีแม้กระทั่งก็ไม่ดีขนาดไหนก็ยังดีอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลนักษณะของอคติอคติเพราะรักอคติเพราะชังถ้ารักจะแ ล, แล้วละก็โอ้อะไรก็ดีไปหมดนะ ถ้าไม่ลักซะแล้วถึงดีขนาดไหนก็ไม่เอาอาคตินะอันนี้ก็ล้นะจิตเหมือนสัตว์ดิลฉานเราก็ไม่เอาอย่างนั้นนเขาก็ใหม่เฉพาะหน้านะเห็นก็อย่างที่เห็นนี่แหลนะเพราะฉะนั้นความสึกตัวนี้จะพาไปนะการเคลื่อนสัพทวะเคลื่อนนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะเดินจยกลมเคลื่อนนะสัพทวะเคลื่อนนะรู้ซื่อๆนะ ท้ายสุดมันก็กลายเป็นเออเวลามันคิดมันก็วางความคิดมันก็คิดขึ้นมาเฉยๆไปห้ามมันทําไมห้ามมันได้ที่ไหนความคิดวินาทีต่อไปมันจะคิดเรื่องอะไรห้ามมันไม่ได้หรอกความร่วมกันบ่นจะมาก็มาบ่นจะไปก็ไปห้ามไม่ได้หรอกแต่การรู้เท่ารู้ทันตัวนี้สําคัญรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราอาการต่างๆกําลังปรากฏขึ้นมา เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดที่เกิดดับเกิดดับยึดถือเป็นตัวเราไม่ได้เลยนมันจะเกิดการวางหน้าวางตาขึ้นไหมาวางหูวางเสียงได้ยินอยู่แต่ว่าไม่ใส่ใจรู้ว่ามันคืออะไรมันก็จบไปแล้วไวมากปัญญาก็ทํางานไวมากรู้เป็นปรมัาถาศภาวะใหม่ๆเนี่ยมันรู้แบบสมมุตินะรู้ยังไงรู้แบบสมมุติ คือรู้แล้วข้าไปอยู่ในสภาวะของความรู้เหล่านั้นรู้แล้วข้าไปตีความข้าไปตีความว่าชอบว่าไม่ชอบมันก็เกิดเป็นความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์ีอันนั้นเป็นสมมุติเป็นยังไงที่เป็นปรมัทิติสภาวะก็คือเห็นก็เห็นอยู่ได้ยินก็ได้ยินอยู่สัมผัสก็สัมผัสอยู่แนบนั่นอยู่อันนี้เรียกว่า รู้ปรมัตถสภาวะรู้แล้วไม่ต้องทุกขนะ์มันก็รู้ได้หมดนะั่นแหละตรงนี้เปรียบเหมือนพระมาลัยเลยนะเกิดได้ยินไหมพระมาลัยพระมาเลยมาลัยพวงมาเลยอ่ะนะนะมันก็สวยงามละอะไรไม่ดีหรือดีจับมารวมกันร้อยเป็นระเบียบกดีหมดนะสวยไปเลยนะถ้ามองลักษณะของมุมที่มันดีมันก็ดีละนะมันจะมีประโยชน์อยู่นะพระมาลยท่องโลก ไม่อารยปกติจะอารย์เกิดอะไรขึ้นมันก็อารยอารวณเกิดความพัดภ้ากับอารย์อาวณพอจ๋าแม่จ๋าลูกจ๋าคนที่เรารักจากไปจะประคุณคอยเกิดมาอีกทุกๆชาตินะคอยฐานจิตกันไปแบบนั้นอารยอารวณไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้ปัญญาวิชาหนาก็เกิดมาหรือไม่เท่าเก่ามันจะเป็นภาระขนาดไหนเศรษฐกิจทุกคนก็มี บาทีจะประคุณอยาได้เจอได้เจอในทุกทุกชาตินะมันไม่เข้าท่าเลยชีวิตนี้อยู่กับเขาละทุกและเกินพอชาตินาเกิดขึ้นมาก็ดีฝาเก่าเรอล่ะก็รอรวยก็รว ย, รวยเก่งก็เก่งก็อยากได้อีกแลเนีเขาก็วิ่งหนีอยู่ตลอดแล้วนั้นอธิษฐานจะได้เจอได้เจอกันเฉยๆอะดีที่สุดรู้ว่าเขาดีรู้ว่าเขาไม่ดีแล้วก็นิ่งๆอย่างนี้นะจะต้องมีสติสามัญยะ เป็นสติปัฏฐานถึงจะเกิดความเป็นปกติแล้วก็เห็นโลกตามความเป็นจริงเราเกี่ยวข้องถูกต้องโดยที่เราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาอันนี้แหละก็คือเป็นคุณธรรมเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องแน่นอนมันไม่ใช่ว่ารู้ทำมาแล้วจะเฉยเฉยไม่ทําอะไรงานการก็ทําไม่ได้ อันนั้นก็คงไม่ใช่แต่รู้แล้วมันได้ทำแล้วก็ทำอย่างมีสติมีปัญญาด้วยเอาตัวรอดได้แน่นอนตอบ็ถามตอบโจทย์ของสังคมได้แน่นอนอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะพึ่งใจเราเองได้อัตตาเฮียธโนนาโถใจของเราที่มันมีสติมีปัญญามันจะพาให้เราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอันนี้แหล ะ, ะเผชิญโลกไปเลยจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไป มันไปได้ไกลขนาดนั้นนะได้ เ, เพราะว่านะความตายนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอทุกคนนะการพัดพลาดจากของรักของชอบใจอันนี้ต้องเจอทุกคนปาฏนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี้ต้องเจอกันทุกคนนะแต่บัตรนี้เราได้หลักการปฏิบัติธรรมไดนะ้เพราแนวเคลื่อนไหว14จังหวะนี่โอ้มันเป็นกรอเป็นกรรำมันระัดสั้น ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยมันไม่ทุกอยู่แล้วทุกครั้งที่เผลอเข้าไปในความคิดยังไงยังไงก็ทุกนะเพราะว่ามันเกิดพฤติกรรมขึ้นมาในจิตมันก็มีพฤติกรรมของมันเรียกว่ามโนกรรมนะละท้ายส่วนมันคิดแล้วมันก็พูดเรียกว่าวจีกรรมทนะ้ายสุดมันคิดแล้วมันก็ทําลงไปครบองคเลยะเนะเรียกว่ากายกรรมนะถ้าแค่จิตคิดนะ ทางสมมติบัญญัตนะิที่เรียกว่าอาริยะหมายถึงว่าบรรลุแล้วขั้นใดขั้นหนึ่งนะก็ถือว่าด่างพลอยทีเดียวศีนะลทนะลุก็คือคิดไม่ดีแค่จิตคิดไม่ดีเท่านะั้นแหละศีลขาดเลยศีลนะ ส, สังคมต้องแสดงออกตบยุงก็ต้องเอามือฟาดลงไปนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยโนะดวยว่าการฝึกสติไม่ใช่ศีลแบบนั้นเลย ศีลคือจิต ท, ที่เป็นปกติที่มันเด่นนะเด่นแล้วมันรักษาเราไม่ใช่เรารักษาศี mm hmm. ลเราก็เจ้าใจนะมันจะเฉลยให้ว่าออสติเป็นยังไงการเลืึกรู้เป็นยังไงศีลคือความเป็นปกติที่กายที่วาจาเป็นยังไงมันจะบอกให้เรานะเวลากายไม่ปกติมันเจ็บปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนะมันก็จะรู้ถึงสาเหตุโดยจริงๆแล้วคืออะไรนะคืออะไรมีอู่ครั้งหนึ่ง ผมลอตมาเนี่เคยขาบวมอย่างมากตอนนั้นเข้ากรรมฐานเข้มนะเดินจงกรมอยู่ที่กุฏิ15เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาถึงวัน2วันหลายวันเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ออกมาหาอารมณ์ข้างนอกเผชิญนะตากระทบรูปมันจะเป็นยังไงหูฟังเสียงกระทบมันจะเป็นยังไงเวลาคนก็พูดใจเราจะเป็นยังไง จะสังเกตนอกสังเกตในนะสังเกตนอ ก, กคือเสียงที่มันเคยมีสมมติมีความหมายนะมีผลกระทบต่อใจของเราเวลาขาดสติมันฟูฟูแฟบแฝบแต่ตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะประกว่าเดินไปเดินมาเดินมาไม้ทิมไร เ, เดินมาที่เนี่ยตรงตรงหยาป่ายาคาสมัยก่อนตรงนี้จะไม่มีทางนะนาซาลานะมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่รอยเท้าคนเดินแบกแบกหญ้า ก็เดินไปเดินมามันมีมะม่วงโอ้ที่นี่มีป่ามะม่วงเดวนนะเป็นมะม่วงมันเดินนะมะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงเอ่อสารพัดสารพันในป่าเนะี่ยมีมะไฟโอ้เอยเราอยู่ได้เนะ้ะเนี่ยถึงไม่มีใครมาตักบาตอยู่ได้เลยเนะี่ยมันก็มองไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นเง้นมองยอดมะม่วงไม้ตำถักเนะท้าตามดีตะตุ่มไม้ ปรากฏว่ามันแผลเสบติดเชื้อฝนมันตกตกชืนๆอย่างเงี้ยมันก็จับไข่เท้าบวมขาบวมขึ้นมาถึงน่องนะแล้วก็เจ็บแถวขาพับเนี่ยลูกหนูเจ็บปวดต่อโซ่กันระหว่างภูมิต้าน ท, า น, ทานในตัวเรากับเชื้อโรคข้างนองโอ้โหค่อนเดือนนะขาบวมเป็นหนองเฟะเลยตอนนั้นนะ่ย เราก็นึกแล้ความคิดมันพ่านนะผ่า้เราเดินผานเราได้รับกรรมผ่านเราควาว่ารับกรรมหมายถึงว่ามันมีการกระทำไงแล้วก็ความรู้สึกตัวขนาดนั้นแต่ละก้ามันมันไม่พอ ด, ดีมันหายไปมันมัวแต่อมองยอดไม้มันก็ตามไงมันก็เลยเป็นบทเรียนอเหตุของเราอยู่ที่ว่าความรู้สึกตัวนี่เอง มันก็ได้สอนตัวเองให้เป็นประสบการณ์สอนตนอย่างนี้นะเมื่อก็เลยระมัดระวังจะทําอะไรก็ระมัดระวังท้ายสุดมันก็ระวังไม่ได้เพราะว่าบางทีมันก็ทํางานด้วยความรุนแรงอย่างเช่นเมื่ออีกวันสองวันเนี้ยลองยกแผ่นปูนทํางานกับการปฏิบัติธรรมไปช่วยพระยกคือสั่งก็แล้วเราไม่ทํามันก็กระไรอยู่มันไม่ใช่นิสัยถ้าสั่งกันหมายถึงว่าเราทําเป็นหลักแล้วเขาต้องมาช่วยเรา เราก็คือหลักปรากฏว่ามันมีแผ่นปูนที่มันเลื่อนเพราะว่าอยู่บนรถนโตยโยต้ากระบะแล้วก็มันไหลว่ามีไม้ไผ่มันหนุนอยู่มันกลมมันก็กลิ้งได้ก็ด้วยความปรารถนาดีก็จะเอาไม้ไปสอดหนุนอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันไหลลงมา ก็ปรากฏพอดีรถก็ออกแผ่นพื้นมันก็เลื่อนออกมากระแทกที่นิ้วโป้งก็ตรงกับเส้นเลือดพอดีเลือดมันก็ไหลทะลักกระจื้ดๆจอจือเออกไปแล้วนี่เรามีสตินะแต่จังหวะอีกอันนี้มันเป็นจังหวะของเหตุปัจจัยที่รถมันเลื่อนพอดีเราก็ไม่ทันได้ชักมือกลับเพราะกำลังดันเข้าไป เราก็ได้เห็นเหตุปัจจัยโอ้กายของเราเนี่ยตลอดทำงานใช้งานอย่างไงกระดดนะไม่ตลอกปอกเปิือนกะไม่ปวดเนื้อเมื่อยตัวนะในหลักก็คือลักษณะของอาการของกายนะที่เวลาใช้งานนะใช้เขาทำกรรมมันกายนี่ก็มีวิบากมีกรรมเต็มที่นะร่างกายของเราเลี่ยงไม่พ้นนะแต่จิตนี่เราสามารถทำให้หลุดพ้นได้นะกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บ กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยกายแก่แต่ใจไม่แก่กายตายแต่ใจก็ไม่ตายอันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังจากประวัติของสาวกที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นองคุลิมาอย่างนี้เป็นต้นองค์ุลิมานนี่ซื่อสัตย์แล้วก็เคารพอาจารย์มากองค์ุลิมานก็ย้ม am, ทําทุกอย่างที่อาจารย์สั่ง อาจารย์อิชาลูกศิษย์ก็สั่งให้ไปฆ่าคนพันคนองค์นะกริมหากะเชื่อเชื่อนะอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทำทำทำตายให้สุดไปฆ่าคนเป็นพันคนเลยประมาณสิบนะยี่ิคนแรกก็ไม่รู้จักวิธีรนะ้อยร้อยนิ้โป้งไ ม, ไม่ไม่รู้จักเอาไปวางไว้ตามหัวเสาบ้างนะตามโคนไม้บ้างตายสุดสัตว์กลไปกินหมดเลย ก็เลยเริ่มต้นนับหนึ่งหมายไปฆ่ามาฆ่าเสร็จกันนี้ก็เอาไหวยมาร้อยร้อยนิ้วเข้าด้วยกันเป็นพวงมาลัยแล้วร้อยห้อยไว้ที่คอจะได้นับถูกอย่างเงี้ยท้ายสุดจะไปฆ่าแม่ของตัวเองปรากฏว่าองค์สมเด็จสมาเจาไปช่วยไว้อย่างที่เราเคยรู้ๆกันมานี่นแหละทีนี้ เราสังเกต ด, ดูมันมีอยู่ตอนหนึ่งก็คือหลังจากที่บวชพอบวชแล้วพระเจ้าประสเสนทิโกสนนะก็ไปถามพระองค์ว่าเห็นกุฎิมานม้างไหมองคุฎิมานก็บอกว่าพระเจ้าก็บอกว่าองคุฎิมานนั่งอยู่ตรงนี้ไงนะด้านหลังนะี่พระเจ้าประสเสนทิโกสนก็ก้มกลาบนะองคุฎิมานก็ปลอดภยัย แต่ท้ายสุดก็ยังมีกรรมอยู่ก็คือเดินไปวินาศบาทชาวบ้านที่ญาติเคยถูกฆ่าพ่อแม่พี่น้องเคยถูกฆ่าจำได้เก่าก้อนหินมังเอาไม้มังปาก็มีต่อยแผลนะบางทีถึงขั้นสลบเมือดไปเลยแต่ใจองคุลิมานก็ไม่ได้ว่าอะไรบางทีไปเจอกับผู้หญิงก็จำได้นี่องคุลิมานนี้กลัวมาก ผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดแล้วตาลึงองค์ุลิมางก็ไปบอกว่าน้องหญิงขอเธอแล้วก็ลูกน้อยจงปลอดภัยเธออย่าได้มีภัยปรากฏล่าคลอดออมาแ้แ้ แ, แ, แ้คลอดง่ายไปเลยสิ่งเหล่านะี้จะมีอยู่จริงนะยังมีอยู่จริงถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะเห็นมันเกิดที่เราเนี่ยละ่ะการคิดการพูดการทําการแสดงออกแม้ทั้งหน้าตานี่แหละ หน้าตาของเราเนี่แหละบางทีเราเคยเห็นคนอื่นแล้วก็พอใจไม่พอใจถูกฉโลกไม่ถูกฉโลกงรักจังทันทีเวลาเราปฏิบัติแล้วทําเราก็จะเห็นอย่างนั้นเราฝึกสติรู้สึกตัวให้ใจมีสติอยู่กับกายรู้เนื้อ ร, รู้ตัวแทนที่มันจะเห็นสอด ว, ว่าเห็นบางทีมันเผลอไปปรงุงเอาจริตนิสัยเก่าๆหน้าตาคนนี้ก็เหมือนกับคนคนนี้หน้าตาคนคนนี้เหมือนไอบคนบ้ากาม หน้าตาคนนี้เหมือนกันมันปรุงไปแล้วนะนะปรุงไปมากมายแล้วกันท้ายสุดก็คือนะคนบ้าเราไปหาคนบ้าคนดีไปหาคนดีคนปฏิบัติก็หลุดพ้นเนี่ยมันมีอยู่ประมัดมันเป็นอย่างนี้เห็นสภาวะเห็นได้ยินสภาวะได้ยินกลิ่นสภาวะกลิ่นเราจะรู้ชัดในใจเรานะแล้วก็มีการให้ภัยปลอดภัยจริงๆไม่มีใครมีภัยเพราะเราี้แต่กายของเราไม่ปลอดภัยนะทำงานก็ต้องบาดเจ็บ ลมก็ต้องบาดเจ็บถนะ น, นถ้าเลื่นๆฝนตกเนี่ยเดินไม่ระวังเดี๋ยวลื่นเปื้อนไปหงายท้องแล้วเี้ยหัวฟาดบ้างหลังลงบ้างกระดูกก็หักหรือว่าบางทีก็เอ็นเครดกระดูกมันก็เป็นวัตถุอนะกายของเราวัตถุกับวัตถุ ก, ก็เกี่ยวข้องกันอย่างนั้นแต่จิตเป็นนามธรรม้ารู้หรือว่าสติปัญญาเป็นนามธรรมนามธรรมก็ช่วยนามธรรม แต่ว่าเราก็ใช้รูปธรรมเนี่ยนะนะการเคลื่อนการไหวของกายนะจนเห็นกายสัจธว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเวทนาที่เกิดกับกายของเรามันเป็นสัจธว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างเช่นตอนเนี้นั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงละที่ฟังธรรมบวกอีกครึ่งชั่วโมงที่ทําวัดก็เกือบชั่วโมงทีเดียวอาการเจ็บปวดเมื่อยมันจะปรากฏขึ้นมาเนะี่ยเราเห็นได้ไหมว่าเวทนาสัจธรรมเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา หรือว่าจิตมันบน่นเราเห็นได้ไหมว่าจิตมันบน่นหรือว่าจิตมันไม่บน่นจิตเกิดความพอใจไม่พอใจอย่างเงี้นะเราก็เห็นอย่างนั้นได้ยินไหมเสียงที่พูดอย่างเงี้ยเราเสียงสักว่าเสียงไหมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นธรรมเป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในจิตของเราก็เหมือนกันขณะ น, นี้อาจจะง่วงก็ได้เพราะว่าตีสี่ตีหนหลายคนเป็นเวลานอ น, อนเพื่อมาฝึกมหัตในวันสองวันอย่างเงี้ย ยังมีอาการโงกง่วงขึ้นมาซึมขึ้นมาในจิตเห็นมันแม่นะธรรมอารมณ์ตัวนี้เป็นอากุศลเจตสิกเทียปรากฏให้เราได้เรียนอยู่ตลอดเวลาเวลาเพราะฉะนั้นกายก็สักตวว่ากายเวทนาก็สักตววเวทนาจิตก็สักตววจิตธรรมก็สักตววธรรมอันนี้ก็คือลักษณะอาการที่เป็นปรัชญาสภาวะที่สติปัฏฐานของเรามันได้เห็นร่องรอยเราก็จะได้เดินตามธรรมเหล่านี้ลนะ ก็เดินแบบเหมือนกับว่าผ่านตลอดนะผ่านด้วยความนะรวดเร็วนะลัดสั้นนะไม่ไปไอ้อยอิงไม่ไปอาไลอาวอนกันนะเป็นพระมาลัยที่ท่องทำนะท่องโลกท่องทมนะจนกทั้งนะนะเรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่เหลืออยู่นะนะก็คือคำว่าความไม่เป็นอะไรกับอะไรนะตรงนั้น ก็คือความเป็นปกติของจิตนั่นะไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้าจะเป็นก็เป็นให้ถูกเป็นยังไงเป็นให้ถูกเราก็ทางานไปทำอะไรไปนะทำไปวางไปจนกระทั่งเหมือนวันทั้งวันนะไม่ได้ทำอะไรแต่ทำทั้งวันนะคิดพูดทำททั้งวันนะแต่ไม่ได้ทำอะไรทำแล้วก็แล้วไปทำแล้วก็แล้วไปทาแล้วก็แล้วไปเป็นปัจจุบันขนาะอย่างงี้ยนะอานาคานี้ก็ผู้ดใดฟังเหมือนกับว่าให้อารมณ์กับผู้ใหม่ก็ว่าไนดะ้ ก็ขอให้เราได้เหมือนกับว่าตั้งใจปฏิบัติกันนะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อลองดูว่าไอ้สิ่งที่ทำนะมันมีจริงหรือเปล่าความรู้สึกตัวแต่ละขณะนั่นะแล้วก็ขอให้ทนะ ร, รมาที่เราปฏิบัตนะิก็จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยทัวกันทุกรูปตุกนงนมเตือน